จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัตวอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่แปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันพระวันธรรมวสวันะ วันฝังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้มีความศรัทธาความตั้งใจที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ที่จะทำให้ดาเนินชีวิตไป ด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความเจริญก้าวหน้าด้วยการไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาต่างๆเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทรงเห็นกับพระองค์เองแล้วว่าเป็นทางที่จะพาให้ไปสู่ ความสุขและความเจริญเป็นทางที่จะพาให้ไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีทางอื่นมีทางนี้เพียงทางเดียวทางนี้เรียกว่ามรติที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้พุทธบรยศัทพยายามเจริญให้มาก ปฏิบัติให้มากปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดนี้แล้วก็จะมีผลที่ดีที่ประเสริฐที่จะตามมาได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมหรืออยู่ที่พระอริยสงฆ์แต่อยู่ที่การปฏิบัติ ของพวกเราเองโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บาเพ็ญมาเป็นแบบเป็นฉบับพวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่พระพุทเจ้าและพระอริยรสงสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันเราไม่ต้องมาเสียเวลาทดลองวิธีต่างๆทางต่างๆเพราะเรามีตัวอย่างแล้วเรามีผู้สอนเราแล้วข้อสำคัญก็คือขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อเท่านั้นเชื่อแบบไม่ใช่แบบงม ง, งายแต่เชื่อ เพื่อที่จะนำมามาพิสูจน์เหมือนกับเราเชื่อหมอเชื่อยาที่หมอให้เรามารับประทานเพื่อรักษาโรค <c oughs> ถ้าเราเชื่อหมอแล้วเราเอายาที่หมอให้เรารับประทานนี้มารับประทานเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าเราจะหายจากโรคหรือไม่ ยาที่หมอให้เรารับประทานนี้มีประโยชน์อย่างที่หมอบอกหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่ดังนั้นเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระอริยสงฆ์เหมือนกับที่เราเชื่อหมอ พระเจ้าสอนให้เราเจริญมรรคแบบให้มากมากเราก็ต้องเชื่อแล้วลองเจริญตามเมื่อเราเจริญตามแล้วเราจะได้รู้ว่ามรรคแนี้จะพาให้เราไปสู่ความสุขสู่ความเจริญสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หรือไม่ถ้าเราเชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามตรงกับที่ทรงสอนความเชื่อก็จะเป็นการเชื่อที่งมงายสอนอย่างหนึ่งแต่เวลาาปฏิบัตินี้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือสอนให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อ เราอย่าไปงมงายกับเรื่องอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสังส่งสอนท่านไม่ได้สอนให้เราไปหาหมอดูท่านไม่ได้สอนให้เราไปบูชาราหูลบูชาเทพบูชาอะไรต่างๆท่านสอนให้เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูบบชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผู้ที่การบูชาที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติ บ, บูชาไม่ใช่การเส้นการไหว้บางครั้งบางท่านอาจจะนำอาหารมาถวายพระพุทธอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นาการบูชาที่แท้จริงการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระพุทธเจา้า ส่งสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ปฏิบัติมรรคแปดนี้เองมรรคแปดนี้มีอะไรบ้าง mm hmm. ข้อที่หนึ่งท่านตัดไว้ว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง mm hmm. ข้อที่สองก็คือสัมมาสังกัปโปคือความคิดที่ถูกต้องการที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปได้ เราต้องได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องได้ยินได้ฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราจะได้ทำแต่สิ่งคิดแต่คิดในสิ่งที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เพราะว่า ตายเพียงครึ่งเดียวคือร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายแล้วก็ใบเวลาไปเกิดก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ทำมาถ้าทำบุญก็จะไปเกิดที่สูงไปเกิดที่ดีถ้าทาบาป ก, ก็จะไปเกิดที่ต่ำที่มีแต่ความทุกข์แล้วก็สอนว่า ถ้าอยากจะไม่ไปเกิดก็ต้องตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจด้วยการปฏิบัติทำคือจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญสัมมาทิฏิและสัมมาสังก ป, โปรโทที่เป็นองค์ประกอบของปัญญานี้เองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องศึกษา ต้องฝังธรรมะให้มากๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีอะไรไม่มีคนที่ยังคิดว่าตายแล้วศูนยนี่แสดงว่ายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคนที่คิดว่าตายไปแล้วไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ตนเองได้ทําไว้นี่เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริง ถ้าเรามีความเห็นเหล่านี้อยู่เราก็ควรที่จะตัดทิ้งไปแล้วก็เอาคําเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาใส่ไว้ในใจของเราพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วความคิดของเราคือสัมมาสังกับโปรก็จะเกิดตามมาถ้าเราเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำบาปแล้วมีแต่ความทุกข์ ทำบุญแล้วได้แต่ความสุขเราก็จะไม่อยากทำบาปกันเราก็อยากจะทำบุญอย่างเดียวทาความดีอย่างเดียวนี่คือสัมมาสังกับโปพอเรารู้แล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็จะคิดทำบุญไม่ทำบาปวันนี้ก็เราก็เลยคิดตั้งแต่ยังตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่บ้านว่าวันนี้เป็นวันพระ <c oughs> เราต้องมาทำบุญ มารักษาศีลมาละบามาฟังเทศฟังธรรมมาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดเพราะจะเป็นการทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทำให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากปัญหาต่างๆไปนี่นี่คือสัมมา ทิฏฐิกับสัมมาสังกปเป็นปัญญาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปรก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดคิดไปในทางที่ถูกที่ต้องเช่นคิดมาทำบุญคิดมารักษาศีลคิดมาชำระกายวาจาใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาพอเราคิดแล้ว เราก็จะได้มีมรรคข้อที่สาคือสัมมากรรมันตะหรือสัมมากรรมันโตแปลว่าการกระทาที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องก็คือการไม่ทำบาสนั่นเองเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณีการไม่เสพสุรายามา นี่เรียกว่าสัมมากรรมันโตการกระทำที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องความคิดก็จะคิดไปในทางที่ดีคิดไปในการไม่ทำบาปนั่นเองคิดไปในการทำบุญอย่างอย่างที่ญาติโยมได้กระทำกันในวันนี้พอมีความเห็นแล้วว่า <c oughs> มีนรกมีจริงสวรรค์มีจริง ตายแล้วต้องไปขึ้นสวรรค์หรือไปตกนรกก็เลยคิดมาในทางที่ถูกก็คือคิดมาทำบุญคิดมาละบาปด้วยการสมาทานศีลดังที่ได้สมาทานไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือศีนห้าได้แก่การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรวเวณี ละเว้นจากการเสพสุรายามาแล้วก็ละเว้นจากการพูดปดนี่ก็เป็นมรรคข้อที่สีก็คือสัมมาวาจาคือมีวาจาที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้องนี้นอกจากการไม่พูดปกแล้วก็มีการไม่พูดคํหยา <c oughs> การไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ การไม่พูดยุยงให้เกิดการแตกความสามคัคคีนี่คือเรียกว่าสัมมาวาจาหรือจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือให้พูดความจริงให้พูดคำสุภาพให้พูดเพื่อเป็นการสร้างสรรค์คือพูดแล้วทำให้เกิดความรักความสามคัคคีพูดแล้วทำให้เกิดประโยชน์สุดตามมา ถ้าพูดแล้วทำให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีทำให้เกิดการทำร้ายกันก็ไม่ควรพูด mm hmm. เช่นยุยงให้ให้เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกลียดเกลียดชังกันคำพูดเหล่านี้เราไม่ควรพูดเพราะจะนาความทุกข์มาให้กับสังคมและตัวเราเอง นี่คือมรรคข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาแล้วมรรคข้อที่5ก็คือสัมมาอาชีว์นอกจากที่เรามีการกระทำที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีอาชีพที่ถูกต้องด้วยอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสรงสอนว่าอาชีพที่เราไม่ควรจะทำเพราะว่าทำไปแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือส่งเสริมให้เขาไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็คืออาชีพค้าสุรายาเมาหรือยาเสพติดอย่างนี้ไม่ควรที่จะทำ เพราะสุรายาเมาและสิ่งเสพติดนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้เสพและเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะต้องรับเคราะห์จากผู้ที่เสพเพราะเวลาเสพแล้วจะไม่มีสติที่จะประคับประคองการกระทำให้อยู่ในสัมมากัมมันโตรหรือการพูดให้อยู่ในสัมมาวาจาได้ คนดื่มโซาแล้วคำพูดจะไม่สุภาพแล้วก็จะพูดทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่เสียหายเพราะจะไปทะเลาะวิวาสไปทำร้ายผู้อื่นหรือถ้าขับรถก็จะไปประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นและตนเอง พิการหรือเสียชีวิตไปได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะส่งเสริมการขายสุรายาเมลหรื อ, อยาเสพติดหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆหรืออาวุธต่างๆเครื่องดักเครื่องดักสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่น เราก็ไม่ควรที่จะมีอาชีพอย่างนี้ถ้าเรายังมีอาชีพอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะเลิกได้ก็ขอให้พยายามทาให้น้อยลงไปแล้วหาอาชีพอย่างอื่นมาทดแทนเพราะว่ามันมีผลที่จะกลับมาสู่ตัวเราเพราะคนที่เขาเอาของที่เขา ที่เราขายไปดีเขาอาจจะเอากลับมาทำร้ายเราก็ได้เช่นเราขายสุราขายยาเสพติดคนที่ดื่มสุราเสพยาเสพติดก็อาจจะกลับมาทำร้ายเราเวลาเขาไม่มีเงินทองเขาต้องการสุราหรือยาเสพติดเขาก็อาจจะมาป้นมาจี้มาลักขโมยของของเราดังนั้นขอให้เรา ทาอาชีพที่ไม่มีความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนี่คือสัมมาอาชิโวข้อต่อไปก็คือสัมมาวายาโมคือให้มีความขยันหมั่นเพียรในในทางที่ถูกต้องก็คือให้ขยันทําความดีขยันทําบุญแล้วก็ข้ ให้ขยันรักษาบุญหรือความดีที่เราได้ทำไว้อย่าให้มันหายไปเช่นเราเคยใส่บาปเป็นประจำจะเป็นทุกวันพระหรือทุกวันก็ให้เราใส่ไปต่อไปอย่าหยุดนะเพราะเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์กับเรานะแล้วก็สงสอนให้เราละการกระทำความไม่ดีและบาป ท, ทั้งหลาย แล้วก็ให้เราป้องกันไม่ให้บาปหรือความไม่ดีที่เราเคยที่เราได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาอีกเช่นเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็พยายามรักษาต่อไปอย่าให้ศีลมันขาดอย่ากลับไปแบบอยู่แบบไม่มีศีลถ้ารักษาศีลได้ก็ให้รักษาศีลต่อไป ถ้ายังไม่เคยรักษาศีลก็ให้รักษาศีลถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้ววันพระเราก็รักษาศีลแปคือทําให้มีเพิ่มมากขึ้นไปให้ละบาปได้มากยิ่งขึ้นไปแล้วบาปกรรมต่างๆก็จะมีน้อยลงไปในใจของเราเราก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปของกรรมต่างๆ เพราะเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นเองส่วนบาปกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเมื่อถึงเวลาที่เขาส่งผลขึ้นมาแต่หลังจากที่เขาส่งผลแล้วก็จะหมดกันไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทำบาปใหม่ไม่ได้ทำกรรมใหม่ก็จะไม่มีวิบากของบาปของกรรมใหม่มา ส่งผลให้กับเราอีกต่อไปนี่คือสัมมาวายาโมคือให้เราขยันทําความดีขยันรักษาความดีขยันละบาปและขยันป้องกันไม่ให้บาปที่เราละได้แล้วนั้นกลับมาอีกมรรคข้อที่7ก็คือสัมมาสติทรงสอนว่าสตินี้ เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าเราจะทาอะไรที่ถูกต้องที่ดีได้เราต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะไม่สามารถทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้เช่นคนที่เสียสติอี่ยมนี้หรือคนที่ดื่มสุรายาเมาจนขาดจนขาดสติเขาจะไม่สามารถ ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ส่วนใหญ่มักจะทำสิ่งที่เสียหายสิ่งที่ไม่ดีเราจึงต้องเจริญสติอยู่เสมอการเจริญสตินี้ก็ ส, สอนว่าให้รู้อยู่กับการกระทำกับการเคลื่อนไหวของร่างกา ย, เ, ยเช่นเรากำลังทำอะไรอยู่ให้เราเฝ้าดูการกระทำของเรา ทำอย่างระมัดระวังทำอย่างไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เกิดเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาคนที่ทำทาอะไรด้วยสตินี้มักจะทำได้อย่างเรียบร้อยทำได้อย่างสงบทำได้อย่างสวยงามแต่คนที่ไม่มีสตินี้มักจะทำแบบอึกกึกคึกโคลงส่งเสียงดัง ทำแบบเสียหายทำแล้วก็ทำให้ข้าวของแตกบ้างข้าวของเสียหายบ้างทำแล้วก็ไม่เรียบร้อยดูแล้วไม่สวยงามสเปะสปะนี่เพราะว่าไม่มีสตินั่นเองไม่มีความตั้งใจไม่มีความจดจอ่อเฝ้าดูการกระทาของตนเวลาทำก็ไปคิดเรื่องอื่นสิ่งที่ทำก็เลยทำแบบสเปะสปะ ทำแบบไม่สมบูรณ์ทำแบบไม่เรียบร้อยถ้าเราอยากจะดูว่าคนมีสติไม่มีสติมากหรือน้อยก็ดูการทำงานของเขาเราก็จะเห็น ท, ทันทีถ้าทำแล้วผิดมากมีทาแล้วผิดมีการกระทำที่ไม่ถูกทำผิดมากหรือทำแล้วไม่เรียบร้อยไม่สวยงามอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีสติ เพราะว่าผลงานมันจะฟ้องทำแล้วก็ทำให้มีแต่เสียงวุ่นวายต่างๆอย่างนี้เช่นเวลารับประทานอาหารก็รับแบบเสียงดังช้อนจาน ก, กระทบกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่มีสติถ้ามีสติแล้วจะทำอย่างสงบทำอย่างสงา่าทำอย่างสวยงาม นี่คือเรื่องของสติที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะนอกจากที่จะทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วยังจะทําให้เราทําให้จิตของเราสงบได้ด้วยจิตของเรานี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราไม่มีอะไรไว้ควบคุมลิงเอาไว้เวลาเราจะ จับลิงให้นั่งเฉยๆเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีเชือกคล้องคอลิงเอาไว้แล้วคอยเดินเอาไว้อยู่เรื่อยๆเวลา y ếu y ếu y ếu y ếu. Là, เราต้องการให้ลิงอยู่เฉยๆเราก็จับลิงเข้าไปขังไว้ในกรงลิงมันก็จะทำอะไรไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เราต้องการจากใจของเราก็คือความ นิ่งความสงบเพราะความนิ่งความสงบของใจนี้นำความสุขที่ประเสริฐที่เหนือกวา่าความสุขต่างๆมาให้กับเรานั่นเองถ้าพวกเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้เลยเพราะเหมือนกับวิ่งจับเล่งโดยที่ไม่มีเชือกคล้องคอลองไปวิ่งจับลิงดู มันจะไม่มีทางที่จะให้เราจับและมันจะเร็วกับเรามากแต่ถ้าเรามีเชือกคล้องคอมันอยู่แล้วเราจับเชือกกันไว้มันก็จะหนีไปไม่ได้เราก็จะสามารถลากมันให้เข้าสู่ในกลมได้อย่างง่ายดายนี่คือสัมมาสติกก็คือเราต้องคอยควบคุมความคิดหรือใจของเหล่านี้ ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ลอยไปตามสถานที่ต่างๆตามเรื่องต่างๆให้ความคิดให้ใจหรือความรู้ของเรนี้ให้อยู่กับร่างกายของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้เรารู้อยู่กับการกระทาของร่างกายกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินอย่าไปเดินแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติแล้วเวลารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารเวลาเคียวเวลากลืนอย่างนี้ก็ให้รู้อยู่ตามลำดับให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่าเคียวไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปต้องอยู่กับการเคี้ยวเวลากลืนก็ให้อยู่กับการกลืนแล้วอย่างนี้ใจก็จะอยู่ภายใต้ การควบคุมบังคับของเราพอเราต้องการจะให้ใจสงบเราก็จะสามารถทำได้ใจที่สงบนี่แหละที่เราเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธินี้ก็มีทั้งแบบเป็นสัมมาคือ ส, สมาธิที่ถูกต้องและมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ถูกต้อง สัมมาสมาธินี้ก็คือสมาธิที่สงบนิ่งใจว่างใจเบาใจเย็นใจมีความสุขใจเป็นอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าสัมมาส ม, มาธิเพราะว่าจะเป็นฐานของสัมมาทิติกับสมมาสังกัตปะต่อไปเวลาออกจากสมาธิแบบนี้แล้วก็จะสามารถเจริญสัมมา ทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้ด้วยการวิเคราะห์ด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมต่ า, างๆว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่มีสมาธิแบบนี้เวลาออกมาจะไม่สามารถจเจริญสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาสังกัปโปได้จะไม่สามารถพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้เพราะ กิเลสนี้จะมีกำลังมากที่จะมารบกวนหรือจะมาลากให้ไปคิดเรื่องอื่นสมาธิที่ว่าเป็นวิจฉาสมาธินี้เป็นอย่างไรก็เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองคือเวลานั่งแล้วก็ไปเห็นไปรู้เรื่องราวต่างๆไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปละลึกชาติได้ไปทำนู่นทำนี่ได้ อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดยัง้งกิเลสตัณหาได้นั่นเองเพราะเวลาได้สมาธิแบบนี้แล้วก็จะมีตัณหาอยากจะเห็นนั่นอยากจะเห็นนี่อยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าการนั่งแบบนี้นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน แต่เป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งมีฤาษีคนหนึ่งนี้นั่งสมาธิแล้วมีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เวลาเข้าไปในวังก็จะเหาะเข้าไปหาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเห็นฤาษีรูปนี้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ ก็มีความศรัทธาเป็นอย่างมากทําบุญถวายข้าวของเงินทองเป็นอย่างมาก <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งฤาษีก็บินเข้าไปในวังพอดีบินผ่านห้องของพระมาเหสีเข้ากำลังพระมาเหสีกำลังแต่งตัวกาลังเปลือยกายอยู่ฤาษีก็เลยเกิดตัณหากิเลสขึ้นมาก็เลยบินก็ไปในห้องของพระมาเหสี แล้วก็ไปพูดหวานล้อมให้พระมเหสีร่วมหลับนอนกับฤาษีอยู่นั้นพอหลังจากนั้นแล้วฤทธิ์ที่เคยมีอยู่คือเคยเหาะเห็นเดินอากาศได้ก็หายไปเพราะถูกอำนาจของกิเลสตัณหามากรบไว้ทำให้ไม่สามารถมีฤทธิ์ได้เหมือนเดิม ต่อมาพระราชาทราบเรื่องเข้าก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากมีความเคารพในฤาษีนี้จึงไม่ถือโทษแต่ก็ไม่นับถืออีกต่อไปนี่คือเรื่องของมิจฉาสมาธิมักจะทำให้ผู้มีมิจฉาสมาธินี้เสียหายเช่นพระเทวทัตก็เช่นเดียวกันพระเทวทัตก็มีมิจฉาสมาธิ มีฤทธิ์มีเดชก็เลยคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษถึงกับขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุมากแล้วคือแก่แล้วนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า พระเทวทัตนี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ย, ยังมีกิเลสเต็มอยู่ภายในหัวใจจึงไม่สมนุญาพอทรงตัดก็เลยพระเทวทัตก็เลยเกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงพยายามที่จะทำลายทำลายชีวิตของพระองค์ถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จ้างให้คนไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะพุทธเจ้าทรงสอนคนที่ไปฆ่าว่าการฆ่านี้เป็นบาปและเป็นโทษมากกว่าเงินทองที่ได้รับจากการว่าจ้างมาฆ่าพอทรสงสอนอย่างนั้นเขาก็เขาก็ไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าครั้งที่สองก็เลยปล่อยช้างให้มาเพื่อที่จะมาเหยียบมาทาร้ายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาให้แก่ช้างช้างก็เลยไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าครั้งที่สามเลยต้องขึ้นไปแอบอยู่บนเขารอเวลาที่พระเจ้าทรงเดินผ่านมาก็กึ้งก้อนหินลงมาเพื่อจะให้ทําร้ายพระพุทธเจ้าแต่ก็ทําได้เพียงแต่ให้เท้าของพระองค์มีพระโลหิตพ่อพ่อพระโลหิตเท่านั้นเอง หลังจากนั้นแล้วก็เกิดความเสียใจเกิดความวิตกต่อผลบาป ท, ที่ตนเองได้ทำไว้<ม>ก็เลยไปกราบขอขมาตอนที่ไปกราบขอขมาก็ถูกแผ่นดินสูบ<ม>แต่ก่อนที่จะถูกแผ่นดินสูบลงไปหมดมก็ได้ถวายกรามให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นการขอขมาราโทษ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหลังจากที่เทวทัตนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกเอเวจีแต่เนื่องจากมีความสำนึกผิดในบาป ท, ที่ตนทำไว้พอใช้กรรมหมดแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้ปฏิบัติบำเพ็ญบรรลุเป็นพระประเจกษริย์พระพุทธเจ้าต่อไป เพราะว่าเนืนอ่องนอกจากเรื่องการทำบาปนี้แล้วพระเทวทัตก็ได้ทำบุญมามากเช่นเดียวกันได้ทำทานมามากได้สละทรัพย์หมดได้ออกบวชได้รักษาศีลได้บาเพ็ญสมาธิเพียงแต่ว่าสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ถูกนั่นเองถ้าทำใจให้เป็นสัมมาสมาธิคือเวลานั่งสมาธิแล้ว ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบอย่าปล่อยให้ไปรับรู้เรื่องต่างๆถ้าอยากถ้าจะออกไปรับรู้ mm. ก็ต้องเนึงกลับเข้ามาเนึงกลับเข้ามาที่ตัวที่ใจหรือเข้ามาที่พุทธโธ ก, ก็ได้อย่าปล่อยให้ไปข้างนอกไปรู้เรื่องต่างๆเพราะจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิเพราะจะไม่ทําให้จิตมีกําลัง ที่จะหยุดกิเลสตัณหานั่นเองผู้ที่มีสัมมาสมาธินี้เวลาออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะมีสดกำลังมีกำลังมีความสดชื่นไม่มีกิเลสมาคอยขัดขวางในการเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีกิเลสแล้วจ ะ, จะเจริญไม่ได้เช่นถ้าจิตไม่สงบนี้ให้พิจารณาความตาย จะไม่อยากพิจารณากันเพราะมีความรู้สึกพดภู่รู้สึกไม่กล้ากลัวเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าจิตสงบมีสัมมาสมาธิออกจากสัมมาสมาธินี้เวลาพิจารณาความตายพิจารณาความไม่เที่ยงนี้จะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดจะมีความกล้าหารกล้าที่จะไปพิสูจน์ว่า สามารถตัดความกลัวนี้ได้หรือเปล่าเช่นไปอยู่ในที่ในป่าที่มีสัตว์ร้ายต่างๆถ้าจิตยังไม่มีสมาธินี้จะไม่กล้าไปกันไปก็อยู่ไม่ได้เพราะเกิดความกลัวก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความกลัวได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะกล้าไปและเวลาเกิดความกลัวก็จะสามารถดับความกลัวนั้นได้ สามารถปลงอนิจจังทุกขังมรณาตาได้สามารถยอมตายได้พอยอมตายได้แล้วความกลัวก็จะหายไปที่กลัวกันทุกคนนี้ก็กลัวเพราะยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่กันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าไม่มีใครอยู่กันไปได้ตลอดต้องตายด้วยกันทุกคนถ้ายอมตายได้เพียงหนเดียวแล้วก็จะหายกลัวไปตลอดชีวิตจะไม่กลัวตายอีกต่อไป นี่คืออนิสง์ของการมีสัมมาสมาธิจะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวสัมมาสัมมาสติสัมมาวยาโมสัมมาสติทั้งหมดนี้เป็นมากที่เกี่ยวข้องกันช่วยสนุบสนุนกันช่วยดันกันไป จึงจำเป็นที่จะต้องเจริญมากให้ครบองศาบางท่านอาจจะได้ยินว่าไม่ต้องเจริญสมาธิก็ได้ให้เจริญปัญญาเลยอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่ต้องเจริญสมาสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนให้เจริญทำไมทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้า กลับไปเชื่อกิเลสตันหาความหนงที่มีวิญญานใจของตัวเองเพราะการทำสมาธินี้มันยากนั่นเองจึงไม่อยากจะทำกันอยากจะทำแบบง่ายๆก็เลยต้องเดินในทางผิดไปปฏิบัติไปจนวันตายก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือเรื่องของการมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์มาก เพราะถ้าเราไม่รู้ความจริงเราไม่รู้การปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วผลที่เราต้องการก็จะไม่ปรากฏนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมะสวนะัสวันฟังธรรมไว้ให้กับพุทธบทริษั์สีเพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกกิเลส ความหลงที่มีอยู่ในใจนี้หลอกให้เดินไปในทางอื่นดังนั้นขอให้พวกเราจงหมั่นมาวัดอย่างสม่ำเสมอขอให้พวกเราจงมีวันธรรมะสวรรค์คือการวันฟังธรรมกันถ้ามาฟังธรรมที่วัดไม่ได้ก็ฟังธรรมที่บ้านก็ได้เปิดโทรทัศน์ก็มีธรรมะให้ฟังเปิดเครื่องเล่นแผ่นซีดีก็มีธรรมะให้ฟัง ขอให้ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นมงคลแก่ชีวิตจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญมรรคเพื่อที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้เราได้บรรลุถึงความสุขและความเจริญที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย